คุณฟังที่เคารพค่ะเรามาพบกันในช่วงเวลาของรายการสรรสนีสนทนาหลังจากที่ได้ฟังถ้อยคำอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติคือคำของพระพุทธเจ้าที่พระมาชาคาวโรได้อ่านผ่านไปแล้วเราก็จะนำเข้ามาสู่การเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะคะซึ่งในห่วงเวลาสองสัปดาห์นี้ยังอยู่ในช่วงที่เราจะทาให้เหมือนกับว่าได้ติดตามคณะของ พระคุณเจ้าที่ศรัทธาในพุทธวจนะจากพระโอษฐ์เดินทางไปสังเวชนียสถานและเราก็ไปพุทธคยากันมาแล้วตอนนี้อยู่ที่ธรเมเอสถูปสถานที่พระพุทธองค์ได้ประกาศาศาสนานะคะมีการแสดงพระธรรมจักรกับประวัตนาสูตรที่นั่นพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนซึ่งเป็นพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งเช่นเดียวกับท่านมาร์กที่ได้ไปในคณะนี้ ก็จะมาเผยในส่วนที่เป็นรายละเอียดมากขึ้นค่ะนมัศ ก, การค่ะท่านคะเรนตอนค่ะเมื่อวานนี้ติดค้างกันอยู่ตรงที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดสาระการประกาศพระศาสนาค่ะท่านคะการเที่ยกันแรกเนี่ยสําคัญนะคือเพื่อที่จะหาบุคคลที่เป็นหลักประกรัทนท e s t i m o n i a l คือไม่ใช่หลักประกรันหรอกคิดดูนะสมมติว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทําไมพระพุทธเจ้าต้องต้องการ t e s t i มเนีย l ในการที่ยืนยันว่าฉันเป็นสมามาตุทธา นีอกว่าฉันเป็นสมารถสมพุท ธ, ธาแล้วไม่ต้องการให้ใครมายืนยันแต่ว่าฉันเป็นสมาชมพุท ธ, ธาเนี่ยหรมค่ะท่านอาจารย์คะอยากจะให้ท่านอาจารย์ให้คำจำกัดความเท s ติโ o n นียชัดๆนิดหนึ่งค่ะ t ทสติโมเนก็คือหาหลักฐานพยานยืนยันสมมติเราไปศาลอย่างเงี้ยเราบอกว่าฉันมีหลักฐานว่าขณะที่อาจฉรกรรมนี้กำลังเกิดขึ้นอยู่ที่นั้นเนี่ยฉันมีหลักฐานว่าฉันอยู่ที่หนึ่ง เอาคุณเอาหลักฐานมายืนยั น, ยนสิเอางี้ไงภรรยาผมบอกว่าผมอยู่ที่นี้เห็นกันอยู่ดังนั้นเท่ากับว่าในสถานการณ์นี้คือพระพุทธองค์งนั้ น, น, นต้องการจะให้มีผู้ที่ฟังธรรมของพระพุทธองค์เป็นการยืนยันว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วแล้วนําสิ่งที่ตรัสรู้มาสอนใช่ไหมคะถามว่าคนที่เป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วอะทําไมไม่ต้องการให้มีหลักฐานยืนยันหลอกว่ารับรองว่าฉันเป็นสัมมาสัมพุทธะนึกออกป่คะ คนที่เป็นสามารถสมุทัานแล้วยิ่งใหญ่มากนี่เรอครับรู้หมดทั่วทั่วสรรพสิ่งในโลกค<ถ>่ะเรื่องหลักประกรันว่าฉันเป็นสมานสมุทฐานยังไม่ต้องการพระพุทธเจ้าพูดไปชัดเจนว่าการประพฤติพรหมจรรย์ของพระองค์เนี่ยไม่ใช่เพื่อรับยศสรรเสริญนะไอ้เรื่องปจัจจัยทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องการอยู่แล้ว <scam. S 1> เป็นประการมาก่อนใช่ไหมเรื่องที่บอกว่ามาประกาศาพรหมจรรย์เนี่ยเพื่อลมลางละที่อื่นให้สิ้นไปไม่ใช่มาประกาศาพรหมจรรย์เพื่อให้มีผู้มาตามก็ไม่ใช่มาประกาศาพรหมจรรย์เพื่อ ที่อย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่เลยเพื่อดับทุกนี่คือประเด็นของพระโอษฐ์<แ>ในสมัยนั้นเนี่ยมีาศาสนาอยู่แล้วตั้ง62าศาสนามีลัตที่62อย่างเนี่ยที่อยู่ในโลกเนี่ยอยู่ในชุมปูทวีปเนี่ยพระเจ้าไม่ได้มาแคร์ว่าเออใ น, ในฉันมาตั้งรัตที่ที่63ฉันเป็นาศาสดาดีกว่าไม่ได้อย่า ง, งานั้นแต่เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาคนที่มีเวทนาอยู่ยังมีความทุกข์อยู่เรามาแก้ความทุกข์ดีกว่า ผัสสะที่เก eh ิดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเห็นสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีอะไรแล้วแต่แหมมันมีอารมณ์ข้างในทุกอย่างได้อย่างหนึ่งมีผัสสะก็ต้องมีเวทนาเวทนาเป็นที่รวมลงของความทุกข์ทั้งหมดเมื่อมีเวทนาอยู่ก็ยังมีความทุกข์เรามาแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์กันดีกว่านี่คือประเด็นของบุรุษาเมื่อมีผัสสะจะมีความชอบความไม่ชอบความรู้สึกเฉยๆที่เรียกว่าเวทนาพอมนาค่ะพอมีเวทนาก็มีความทุกข์สิทําไมล่ะ ก็เพราะว่าพอมีภาษามีเวทนามันจะต้องพูดว่าเข้าบ้างชมเข้าบ้างจริงๆเลยค่ะพี่บ้างมันห้ามลําบากเด้วนะคะของพวกนี้ไม่มากก็น้อยใช่ค่ะก็มีวิธีการอยู่ก็คือการฝึกจิตนี่ก่าค่ะปากมันจะขยับได้จิตมันสั่งการก่อนนี่ก่อนมาเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยพระพุทธจ้าถึงบอกว่าคนที่สามารถมีอํานาจเหนือจิตเนี่ยไม่ให้จิตมีอํานาจเหนือเราได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิค<ฆ>่ะฉลาดในสมาธิคนที่มีกำลังจิตมีสมาธิแล้วเนี่ยสามารถสั่งจิตได้<ฆ>ให้คิดเรื่องนี้อย่าคิดเรื่องนั้นให้คิดเรื่องนั้นอย่าคิดเรื่องนี้สั่งได้เลยนึกออกไหมค่<ฆ>ไม่ได้เป็นไปตามผัสสะเห็นสีนั้นคิดอย่างนั้นโอ้ไม่เป็นไม่เป็นเราไปตามคันลองคลองทำคันลอ ง, องคลองท ำ, งทำมีอะไรเป็นมาตรฐานเอาง่ายๆเอาศีนเป็นมาตรฐา น, <ฆ>าฐานเอา<ฆ><ฆ>มักแปเป็นมาตรฐานมักแปบอกว่าอะไรโอ้บอกว่า อ, อ, อย่าด่ากันอย่าใส่ร้ายกันอย่าพูดเพ้อเจออย่าพูดต่อสเสียอย่าพูดคำหยาบใช่ไหมอย่าฆ่าสัตรออ์อย่ารักษาอย่าปิดอย่าประพฤติปิดในกาวให้ทานดีทำดีมีทำชั่วมีโอเคทำลักษณะนี้นี่คือการแรกการเทศการแรกของพระพุทธเจ้าที่พูดถึงเรื่องมั่วแดด้วยคแล้วพยานยืนยันที่พระพุทธเจ้า พูดถึงเนี่ยแล้วทําไมเอาถึงเอาธรรมะมาประกาศเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพุทธเาพูดไวชัดเจนคําพูดสุดท้ายที่พูดอยู่ที่ป่าอิสิตป ต, ตนาเมรุกัยาวัดแล้วเดินจากไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกนะค่ะคือบอกว่าอาตลาดอย่างนี้บอกว่าเพื่อประโยชน์ของมหาชนเพื่อความเอ็นดูโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงประกาศธรรมนึกออกไหม เพื่อประโยชน์ของคนฟังอ่ะเพื่อเทวดามนุษย์ทั้งหลายจะได้พ้นจากความทุกข์เพื่อประโยชน์สุขของบุคคลเหล่านี้จึงประกาศธรรมค่ะ <Okay. S 1> เป็นคำพูดค ำ, คำสุดท้ายคือณที่นั้นเนี่ยนะได้มีสาวกที่อ่เป็นสาวกที่บวชเป็นพระเนี่ยเป็นภิกษุเนี่ยทั้งหมดหกสิบรูปหกสิบรูปแรกที่บริเวณ น, นั้นแล้วก็ได้ตรัสกับภิกษุหกสิบรูปแรกนั้นบอกว่าอ่ะพวกเธอทั้งหลายเนี่ยนะ คนแล้วจากบ่วง ท, งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนรรุษย์ตัวเราเองก็พ ล, ล่าเหมือนกันไปอย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูปนะให้แสดงธรรมตัวเราก็จะไปสู่ภุ ร, รูเวลาเสีล น, นิกมเพื่อแสดงธรรมแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่นี้อีกนะ อ, อ๋อค่ะไม่ได้กลับมาที่ทําให้กาบสถูอีกไม่ได้กลับมาเลยแล้วก็ไปเที่ยวไปแสดงธรรมไปตามอู้เจ้าจริยาต่างๆค่ะก็เท่ากับว่า เป็นสถานการณ์ที่สำคัญเป็นสถานที่สำคัญมากเพราะว่ามีพระพุทธมีพระสงฆ์ที่พระพุทธองค์ได้บวชให้ใช่ไหมคะ 60- รูปแรกแล้วก็ล้วนเป็นพระอรหันต์ถูกไหมคะใช่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่าเธอก็ได้บรรลุธรรมแล้วอย่าไปสองรูป ให้ไปให้ใหไปแสดงธรรมอย่าไปทางเดียวซ้ํากันสององค่ะคือข้อที่หนึ่งให้ไปแสดงธรรมข้อที่สองไปองค์เดียวจะได้ไปกันหลายๆทางใช่ไหมคะใช่ใแล้วก็คงจะได้ความวิเวกด้วยอะไรด้วยนี่ยนะคะใช่ใชนั่นก็คือถือว่าเป็นการประกาศพระศาสนาเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะพระพระอคําสอนธรรมวินยัยเป็นการประกาศธรรมวินยัยเป็นการประกาศธรรมวินัยแล้วเพระพระสงค์เหล่านี้เหมือนกับเป็นพระธรรมทูตอย่างนั้นหรอคะไปสอนออก็เป็น เป็นพระธรรมมาสู้จะว่าอย่างนั้นก็ได้เป็นผู้นําคําสอนไปเผยแพร่ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์แก่โลกค่ะแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นการเสด็จมาครั้งเดียวแล้วจากไปไม่หวนเสด็จกลับมาอีกเลยก็จริงแต่ว่าการเสด็จมาครั้งนั้นก็สําคัญเหลือเกินสำคัญคือมาเพื่อหาปัญจวัคคีค่ะอ่าห้าองค์เท่านั้นเองมาหาปัญจวัคคีมาหาพยานนะค ะ, ะที่จะ แสดงธรรมแล้วได้ผู้ที่จะออกไปช่วยพระองค์บอกสอนกับโลกดิฉันชอบประโยคที่ท่านตรัสเกี่ยวกับเรื่องว่าพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสมาเนี่ยเป็นไปเพื่อความเอ็นดูโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นจิตน้ำเาเรียก อ, อะไรนะคะน้าพระพุทธหาริไทที่ไพศาลมากเออก็มีคำกล่าวบอกว่ า, าพระเจ้าเนี่ยมีความกรุณาดุจพวกอารนกคือเหมือนกับ โอ้โหเป็นน้ำที่ยิ่งใหญ่มากไม่ยิ่งใหญ่มากจริงๆนี่รอไอย่างอย่างสมมุติบอกว่าถ้าเราต้องการเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเราอาจจะเอาน้ำไปสักสองแพ็คเนี่ยเรับอ่าเพียงพอสำหรับการเดินทางทริปนี้แต่ถ้าเรามีน้ำสักเขื่อนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ดื่มอย่างเดียวมันใช้ทําการเกษตรก็ได้ใช้ล้างน้ําเสียก็ได้ใช้ล้างน้ําอะไรต่างๆที่เราไม่ต้องการใช้ทําอย่างนี้อย่างนี้ได้หมดเลย<ๆ>เก็บไว้เพื่อภายแรงก็ได้น้ํามันเยอะขนาดนั้นนี่คือบารมีพรทเจ้า ค่ะท่าอาจารย์คะทีนี้สําหรับพระสูตรที่ท่านมาร์คได้พูดเอาไว้ในตอนแรกกับคําอธิบายวันนี้เพียงพอหรือยังคะจะได้ขออนุญาตมาอีกสักเรื่องหนึ่งอ่าก็คิดว่าครบถ้วนสําหรับเรื่องที่ทำไปกันถูนะคะงั้นขอกลับมาเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองและเอาธรรมะเข้าไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะคคว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยมันเกิดการสะสมความไม่สบายใจของคนที่เห็นแตกต่างกันเนี่ยมาเป็นเวลากว่า3ปี แล้วพอมาถึงวันนี้ก็ถือว่ามันเป็นการแสดงออกซึ่งความไม่เห็นด้วยกับอดีตที่ผ่านๆมาสามปีนี้และต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ถ้ามองในแง่ของธรรมก็คือมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้น่วิธีการระงับความขัดแย้งที่พอจะให้ปัญญาแล้วเป็นภูมิปัญญาของพระพุทธองค์เนี่ยมีไหมคะเอันดับแรกก่อนก็คือ อย่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่สงเนี่ยนะค่ะเราจะเรียกว่าอธิกรณ์คือคือถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเกิด อ, อธิกรณ์สมมติไอเศนาสนะไม่สะอาดอวัดไม่สะอาดหรือว่ามีงานจะเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นอธิกรณ์ล ะ, ะเรียกว่าอธิกรณ์ค่ะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่จะมีเรื่องเกิดขึ้นละวิธีแรกที่พระพุทธเจ้าให้หมู่สงเนี่ยมาทําการแก้ไขอธิกรณ์เนี่ยก็คืออันดับแรกก่อนคือมาประชุมกันพร้อมหน้า ก็คือพร้อมหน้าคณะสงฆ์พร้อมหน้าอคนที่อยู่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมกันเรียกว่าสมมุขขาวินัยค่ะประชุมกันเสร็จแล้วทํายังไงล่ะก็ตกลงเป็นไปตามธรรมใช่ไหมเป็นไปตามธรรมธรรมเนี่ยเราเรามีมาตรฐานอะไรเรื่องศีลก่อนเธอมีศีลอย่างไรมีศีลสําหรับอุบาสกอุบาสิกาใช่ไหมศีลห้าหาว่าไปเราไม่เพื่อปิดศีลโอเคเรียบร้อยจะทําอะไรก็ทําไป จะต่อสู้แบบไหนก็ต่อสู้ไปแต่อย่าทผิดศีล น, น ะ, ะถ้ายังไม่เรียบร้อยถ้ายังตกลงกันไม่ได้นี่ก็ต้องมาดูว่าอ่าคนนี้สำหรับพระสงฆ์น ะ, ะบุคคลที่เขามีอธิกรณ์เกิดขึ้นเนี่ยอมีวิธีแก้การวิธีแก้ถัดไปเนี่ยก็คื อ, อบุคลคล <น S 1> พวกนี้เป็นบ้าไหมหรือเป็นพาาระอรหานไหมหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีข้อยกเว้นอะไรหรือเปล่าในการที่จะ ยกออกจากความผิดนี้ได้หรือถ้ายกไม่ได้ก็ให้ปรับความผิดเป็นไปตามธรรมสมมติถ้าไปตบยุงท่านตบยุงใช่ไหมก็ปรับอาบัติปาจิตติอย่างนี้เป็นตน้น <c oughs> แล้วก็มีวิธีหนึ่งที่พระรูเจ้าให้ใช้ถ้ายังไม่สามารถคุยกันแล้วก็ตกลงกันได้ <c oughs> เนี่ยก็ <c oughs> ให้ใช้วิธีตัดสินตามเสียงส่วน <c oughs> ใหญ่นะก็คื อ, <c oughs> อภาษาบาลีเขาเรียกว่าเยปุยสิกา ก็คือคนที่จะสามารถมาลงคะแนนได้เนี่ยนะจะต้องไม่ลำเอียงเพราะรักเพราะเกลียดเพราะหลงเพราะกลัวหรืออย่างนี้จึงสามารถมาลงคะแนนได้ถ้ามาลงคะแนนแล้วเป็นผู้ที่มีความลำเอียงเพราะรักเพราะเกลียดเพราะหลงและเพราะกลัวเนี่ยการลงคะแนนนั้นไม่เป็นธรรมค่ะแล้วอย่างนี้พิจารณายัางไงอะคะว่าคนพวกเนี้ยที่มาลงคะแนนเนี่ยไม่มีคุณสมบัติสี่ประการนี้ เอาก็เป็นคณะที่คณะสงฆ์จะต้องอลงมติกันไงว่านะคุณจะตัดสินเนี่ยมีเหตุผลอย่างนี้ อ, อย่างนี้ถ้ามีความประพฤติเป็นปรปักแล้วเอามาลงคะแนนไม่ได้อา่าก็คือบุคคล น, นั้นอยู่ที่จิตของคนนั้นค่ะของคนนั้นเนี่ยจะต้องไม่ลาเพียงคือพุทธเจ้าให้เป็นไปตามธรรมใช่ไห ม, มว่าถ้าถ้าคุณมีคุณสมบัตินี้นะคุณมาลงคะแนนได้งั้นถ้าสมมุติจินตนาการไปเวลาที่มีคนเสนอตัวมาลงคะแนนถ้าเกิดว่าในหมู่สง มองเห็นว่าเอาคนนี้ลงคะแนนไม่ได้หรอกเพราะว่าอเข้าข้อที่ว่ามีความลำเอียงเกลียดรักหลงกลัวเนี่ยก็จะกได้อับการปฏิเสธท่านที่ยืนยันว่าจะมาลงคะแนนเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ลำเอียงใช่าาาาไหมค่ะถามว่าคุณรู้วาระจิตเขาไหมถ้าคุณไม่รู้ว า, าระจิ์เขาอย่าอย่าพูดเพราะว่าคุณไม่สามารถทราบได้ใช่ไหมแต่ถ้าเขายืนยันทั้งๆที่เขายังลำเอียงอยู่เนี่ยเขาก็เขาก็เขาเรียกว่ามุสา อมุสสาเขาก็มีความผิดอยู่แล้วตัวเองคนที่มีความผิดอยู่เนี่ยะจะจะมีสิ่งที่เรียกว่าร้อนใจเป็นผู้ที่มี อ, อวิปฏิสารคือความร้อนใจทำอะไรมันก็จะไม่ดีค่ะแต่ น, นี้มันในหมู่ผู้มีศีลก็งคงจะเหมือนกับว่าความละอายอาจจะเกิดขึ้นง่ายแล้วถ้ายังระ ง, งับไม่ได้อีกน ะ, ะยังมีเรื่องอีกให้ใช้วิธีนี้เอาไงที่สุดคื อ, อหยุดไม่ต้องพูดถึงกันให้มันจบไปอย่ารื้อฟื้น ค่ะเรียกว่าดุดกลบหยุดเอาญ่ากลบไว้กลบไว้ด้วยญ้านี่เหรอปะคืออาภาษาบาลีหรือว่าตินวัฏถาระกตตินวัฏถาระค่ะตินนวัถาระอืมตินนวัฏถาระเออก็คือระเบียบดังกลบไว้ด้วยญ่าก็คืออ่ะพอๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกค่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ออกจีบจบไปให้อดีตก็จบจบไปอย่าเป็นคนรื้อฟื้นแต่สมมติสามีภรรยาอยู่ด้วยกัน่ะ แล้วเราอยู่ภรรยาพูดแต่เรื่องอดีตเก่าๆยิบมมาพูดยิบมมาพูดใหม่มันมันไม่ได้หรอกนี่ก่อนไหยอะไรที่มันผ่านแล้วก็ให้ผ่านไปเถอะอยู่กันมาเจ็ดปีก็บอกนี่ไอ้กอนจะมานั่นนะฉันยังจําได้เลยเธอมันย่างั้นอย่างนี้ความจําแม่นใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าอดีตอะไรที่ผ่านมาคนมันมีความหลังมันมีความผิดค่ะเราก็ยกโทษให้การไปซะบางทีมันไม่ทาบงั้นก็เท่ากับว่าเอามาประชุมพร้อมหน้า ตกลงกันเป็นตามธรรมถ้าตกลงกันไม่ได้ดูซิว่าเป็นบ้าหรือเปล่าอย่างในโลกธรรมดาเนี่ยถ้าผู้ต้องหาเป็นคนสติไม่สมประกอบเขาก็ยกโทษให้เหมือนกันนะคะหรือว่าลดโทษให้แล้วก็ปรับอาบัติไปตามธรรมและถ้ายังไม่เรียบร้อยอีกก็ให้ตัดสินไปตามเสียงส่วนใหญ่ตามแบบประชาธิปไตยแต่ทางพระเรียกเยปุยสิกาโดยคนที่ไม่มีความลำเอียงรักเกลียดหลงกลัวยังไม่ระงับได้อีก ก็ต้องวางเอาไว้แล้วระเบียบ ด, ดังกลบไว้ด้วยย่าก็คือเลิกพูดกันไปไม่ต้องรื้อฟื้นเรื่องนี้อีกแล้วใครรื้อฟื้นขึ้นมานะเป็นโทษด้วยคนนั้นจะถูกประบะับอาบัติเลอเวลาอีกนิดเดียวค่ะท่านจะสรุปยังไงต่อไหมคะสรู้ว่าอย่างนี้วา่าถ้าอาตมาบอกว่ามีคนคนหนึ่งเดินไปตามทางเดินคนตัวนี้จะไปกลับบ้านตัวเองเห็นเห็นอกองเขาเรียกว่ากองได้กองใหญ่เป็นได้ป่าเนื้อหยาบหยิบขึ้นมาแบกเอาไว้แบกทั้งสองมือเลยเต็มหลังเลยเดินไป บอกว่าเออเนี่ยจะเอาไปฝากรูปฝักเนี่ยบอกว่าแล้วเดินไปอีกประมาณกิโลหนึ่งแบกมาตั้งนานแล้วนะเดินไปอีกประมาณกิโลนนหนึ่งเจอผ้าเจอได้หลอดได้ที่เป็นเนื้อละเอียดอย่างดีทําจากได้ไหมก็บอกว่าโอ้ตายลนะได้ฝ่ายอันนี้ยเราถือมาตั้งนานแล้วนะอยากก็นั้นเลยเราไม่อยากทิ้งมันหรอกเอาไปได้เนี้ยได้อันใหม่เนี่ยนะที่เป็นได้เนื้อดีเป็นอ่าเป็นได้ไหมเนี่ยทิ้งมันไปซะไม่เอา นะเดินไปอีกหน่อยหนึ่งเจอผ้าทั้งพับอย่างดี mm hmm. ก็คิดว่าเฮ้ยได้ป่านที่เราอุตส่าห์แบกมาเนี่ยมันแบกมาตั้งนานแล้วอย่าทิ้งเลยแบกต่อไปอีกถามว่าคนคนนี้ไม่ค่อยฉลาดนะเพราะว่าของเก่าเราอุตส่าห์แบกมาเนี่ยก็ยังยึดถือว่าเราแบกมาตั้งนานแล้วในเมื่อตอนนี้เนี่ยเรามาฟังทํารู้อะไรเป็นศีลอะไรเป็นธรรมแล้วเราก็เอาสิของเก่าเราก็ทิ้งไปซะนึกออกไหมค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่า สรุปแล้วก็คือทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านอาจารย์ไยบูรณ์นำมากล่าวในวันนี้เนี่ยเป็นพุทธวจนะทั้งนั้นเลยอยู่ในพระอริยวินัยใช่ไหมคะทียทราบว่าอย่างนี้เรื่องอธิการอยู่ในอริยวินัยนะคะใช่ก็ คงจะสืบค้นกันต่อไปได้ละเอียดกว่านี้สําหรับผู้ที่สนใจแต่สําหรับผู้ที่ไม่มีเวลาดิฉันก็เข้าใจว่าวันนี้ก็น่าจะเห็นแสงชัดเจนพอสมควรทีเดียวนะคะในการที่จะระงับอธิกรณ์ต่างๆตามธรรมค่ะวันนี้ก็นมาส ก, การขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูุ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีไว้ในโอกาสนี้นะคะส่วนท่านผู้ฟังนั้นติดต่อกับรายการเราได้ที่022690006 นะคะแล้วก็วันนี้เวลามันจำกัดเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆไว้คุยกันวันพรุ่งนี้วันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ